หลวงพมาใหม่เหมือนกันไปเปลี่ยนกันออกไปตทยอยกันออกไปมันแน่นมันเต็มไปหมดยวัวเยียรยัวเยียยัวเยียรมองไปไหนอมันจะตายแล้วเราอยู่เก่าแบบหนึง่งอยู่ใหม่ก็เป็นแบบหนึงห่งมันคนละแบบละแบบก็มารบ ก, กันในวัดนี้่แหลกีป นี่รับมากมันเลอะเทอะไปเรื่อยนะรับมากเท่าไหร่เราก็พอสงสานนั้นแหละอาที่ที่รับมากขึ้นมากขึ้นมันจะก่อนมันจะเริ่มสร้างบ้านมายังไม่ทัง่งถึงเท่าไหร่ห้าร้อยี่สิบไปเลยก็แค่สิบแปดองค์นั่นก็นยังว่ามากอยู่แต่ก่อนนะนีจากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึงสามสิบสี่สิบเป็น 3, 4, 4, 4, ไปเรื่อยเืยแล้วผลวันที่ปรากฏ มันไม่โสงกว่าสามสิสี่สิบ 30, 40, 40, ได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สําคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่จะมาอาศัยเอาอำนาจของผมเพื่อกดขี่บังคับหมู่บ้นนี้มันจะมีอยู่นั้นในวัดนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนะี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอํานาจเสมอแหละอำนาจนาป่าเถื่อนนั่นนะไอ้ที่มันจะมา ยกี่ยบย่ำทำนายทำตั้งหลายของกันและกันให้แหลกเล้วไปนะั่นมันมีนมันมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องนี้มันทำไมจะไม่มีในวัดตวันตานี้เราค่อยแทรกค่อยแซงเขมามาเคยสอนเคยบอกหเพื่อนเสมอในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าสิบต่อทำมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันไม่ทันว่าไอ ทำขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมด น, นี่ก็เห็นว่าหมุน ว, วันมามากก็ผมก็งเฝนลงมาเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้สบายนะในเอวนี่ทุกวันนี้เป็นมันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งมากเอวนี่มันไปใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพเที่ยที่แล้วนี่ก็หมอเขาชี้บอกที่ว่าหินปูนมันเกาะกระดูกนี่เต็มไปหมดเอวนี้ยิ่งมากเขาว่าง นันถึงทําให้เจ็บเอวหนะแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยด้วเห็นนี้มันถึงเจ็บไปหมดทั้งหลังทั้งเิวแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลุกเวลาลุกขึ้นมานี่ต้องไปตะเกียบตะการได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้านะ่ะก็เป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในท่าขันอ่อนเป็นทีเจ็บนั่นปวดนี่ขัดนั่นขัดนี่ตามร่างกายไ ม, ม่สะดวกสบาย ตามแข้งขาก็ลุกนั่งนี่ลุกขึ้นเหมืจะก้าวไม่ออกจะลม้มเส้นนัเป็นประมาณนี้ก็เจ็ดกว่าแล้วนี่ว่า72นั่นใช่มันมาได้ถึง72็ดสิปีเอาขนาดนหนอี้มันจะปูดตามลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวท่านนี้เราไปนานแล้วเนี่ยเราไม่อยากดูจากแบบอยากถามมันอ่ะถ้าท่ายขันขันความ ก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดอแล้วเขายังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดก็เอาทําไปวิจาร์กันตามความกลิ่นเพราะสิ่งนี้เป็นธรรมตั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมธรรมะมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันว่าเป็นยังไงต่อไปมันจะมาเพื่อมาเพืนกับมันอยู่ ตามมาเช้ามามีแต่นับมือกับแจ้งมือกับแจ้งไอ้มือกับแจ้งมันมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วใครก็ได้รับความพิเศษวิสุทธิ์จากความมือความแจ้งไม่มาที่ไหนๆหละมันเหมือนกันมายุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเธนอะไรกับมือกับแจ้งกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการนะมัดระวังการสังสมงามความดีการพิสูจนปฏิบัติตนนั้นต่างหา าศาสนาธรรมท่านสอนลงให้ให้เชื่อตัวเองให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นทั้งได้อาตายิโกโนนาโถให้พึ่งตัวเองทำท่านมอบให้ความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือทำเป็นแนวทางเป็นทางดําเนินให้ดําเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าตีดอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้าของกับแบบแปลนแผนผังคือาศาสนาธรรม มันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกทำท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงตายทางกรงแนวกรงหนวกุ้งแน ว, แน ว, แนวสมกับคำวสวรค์คดธรรมโสคดธรรมต่างไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นจนกระทัง่งถึงอวส า, ศาแนแห่งธรรมและประสุดยอดของธรรมนี่ยเป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่วิ า, าศาสตธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทาง <c oughs> แล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาประลบมาทั้งเรียนตามตำลับตำราทั้งสดับรได้ยินได้ฟังจากครูจับอาจารย์เอามาแนบสนิท ก, กับจิตใจของเราเนี่อยมันคิดแง่ใเนีน่ยได้ถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝักตากับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องนำเนินอเป็นเครื่องมือ จนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่กิจเข้ากล้าเข้าสู่สมาธิมีความสมงบเยือนใจตอนต้นต้องเลยฟัดตะเวี่ยมมันอย่างเต็มที่เต็มฐานนะไม่งั้นไม่ได้เพราะอานาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเรายะว่าภูเขามันหนักเลยนะเรายะว่าแผ่นดินมันหนักเรายว่าภูเขามันหนัก ใทยไปแบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักไทยแบกแผ่นดินพอจะได้รู้ว่าแผ่นดินมันหนักเพราะฉะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหามมันแต่กิเลสนี่นีบแบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบกลชาติได้แบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้กี่พบน้อยพบใหญ่เพราะนั้นครั้งแห่งพบแห่งชาติจะเป็นกิจ ด, ดวงใดถ้าไม่ใช่กี่ของเราแต่ละลาละหลายนี่ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาไปตะกสอนกันอยู่แล้วนี่ใช่ว่าอยอีก ภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงทั้งนั้นแ่ะความจริงมันจะเป็นอยู่ที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมืดแจ้งเราคิดว่าอ่านแล้วให้ดูตัวตัวเของเนี่ยสติสําคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ทราบแล้ว่าเราสู้กับกิเลสกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทานกันไม่อยู่แล้วเราก็พังไม่ใช่กิเลสจะพังนะ ต, ตัวเรานั่นแหะจะพังนี่รับนำธรรมเข้ามาจับเข้าไปนีเรียกว่าพึ่งพึ <S <S ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมเพื่อขันติธรรมวิริยะวิริยนะธรรมเนี่ยเป็นตน้นเอาเหล่านีนมา้มาเป็นเครื่องกํากับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่เกาะ ท, ที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้ไปเกี่ยวตับกายหนักก็หนักเถอะมันจะเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์กิเลสมัน ให้เรแบกเราหามัมเราค้านมันได้เมื่ อ, อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้ล่ะอยู่แต่อำนาจทั้งมันถ้า <c> ม <oughs> ันจับพระลโยนใส่หัวใจใส่หัวใจหัวใจหมดทั้งล่างทั้งใจนี่รับความทุกข์ความท ร, ร ม, มานตลอดภพตลอดชาติการไในไหนไมาจนกรตทั่งถึงบงัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทําไมถึงว่ามันหนักมันหนักอืม <c oughs> ยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วแพ้แล้ ว, ลวจะทำอะไงกันเราจะหาขวามมิต เศษศักดิ์สิทธ์มาจากไหนถ้าใจปราศจากธรรมแล้วจะหาความศักดิ์สิทธ์ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มหัวใจมันศักดิ์สิทธิ์อะไรมีแต่ความเหลวแหลกแหวะแนวเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมท่นั้นเข้าไปจับเอาเข้าไปไประชิดติดกับตัวของใจอ๋อมันจริงมันจริงการปฏิบัตินี่แหละเรียว่าเราหวังพึ่งเราเราต้องเอาหลักธรรมเข้าม า, าศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมท่านอาจารย์สอนไว้กลมกลืนเข้า สู่ความเป็นหนึ่งมันเดียวกันกับใจเรามีสันทิฏิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละ่ะเป็นลําดับลาดาไปพึ่งตนเองได้เป็นลําดับลาดาเย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงตะขั้นสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงมิมุติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกสนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี้เลยในสมแดนโลกธาตุนี้มีใจดวงนี้เท่านั้นแต่ที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เธอขอให้มันถึงความจริงกัน่ มันมีใครได้บอกใครแหละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือนเคยเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเหมือนก็รับทานรับทางกันอยู่กี่พันนายก็เอาทีนั่งรวมกันอยู่นี่มันเพ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในริ้นในปากคนสัมผัสสัมพันธ์กันอย่สิ่งที่รับสัมผัสสัมพันธ์มันก็มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีมันพร้อมพร้อมพ้อมจนกระทั่งถึงความอิ่มอิ่มไปโดนลําดับลำดาแล้วกระทั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใคร มันก็พัฒจากกันไปเดินลำดับนี่ถ้าเราเทียบถึงสารติติโกก็สันติติโกยีหาประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งรู้อย่างรู้ไปโดยลําดับลํดาดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำลานานเพียงพอกับความต้องการเต็มที่แล้วนันก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครละกีมืม่นกี่แสนลายปรตามถึงนั่งรับทานอยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกับที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลํดาดับลานาน ถ้าทำํำนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องเย็นร้อนกน็ร้อนเพราะการต่อสู้กับเรื่องตัางหากไม่ใช่ร้อนเพื่อความเสียหายได้ด้วยความเสียหายอะไรร้อนเพราะการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อเอาความเย็นมาสู่เรามันจะเป็นอะไรไปวะมันก็ทํานี้เป็นธรรมที่เคยยืนยันรับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทําไมเราจะไม่กล้าสามารถเอามายืนยันรับรองตัวของเราเราเป็นสิทธิ์ตาโคตรที่ตรงไหนทำไมเอาจริงเอาจังไม่ชื่อตามครูแล้วจะเชื่อใครก็ต <c oughs> ้องปักลงกันตรงนี้สิ ถ้าเชื่อครูถ้าเชื่อจิเลนก็จังเป็นจะไปตามที่มันเคยพาเป็นมาแล้วลากไปนู้นลากไปนี่ถลอกบอกเปิกจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวก็ยังว่าดียังว่าดีแบกกองทุกข์มาเท่าไหร่รับความทุกข์ความทรมานบ้านหนึ่งคือหนึ่งมันสร้างกองทุกข์อยู่ภายในหัวใจ ม, มีสังขารทรมานสังขารทรมานนั่นอะไรพวกสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัวหรือชาตันหา มัในให้ปรุงแต่งเป็นแต่เรื่องเหล่านี้สร้างแต่ปืนแต่ไฟเผาเราอยู่นีเราไม่เห็นว่าเป็นความลําบากอยากเย็นเฉนใจเพราะทํางานทั้งวันทั้งวันด้วยการคิดการอ่านการปรุงการแต่งเหล่านี้แล้วไม่เห็นพูดแล้ไม่เห็นเห็นโทษอะไรพอที่จะนําเรื่องเหล่านี้มาพูด Nos, เมืเ่อเราจับสติปัญญาก็ไปจับความภาคความเพียรก็ไปทำไมมันถึงมาลําบากลาบากถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่อย่างแหลกไปแล้วนั่นเขาคิดที่ทำนี้เป็นทำเปเครื่องยืนยันจากพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่ เท่าไรเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็สองพันน่ารกว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำทำเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเร่งถึงครูสิจะไปเร่งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่เป็นค่าศึกนั้นเหยียบย่าทำลายหัวใจของสามโลกคือใครถ้าไม่ใช่จึงกิเลสทำถ้ามาเหยียบย่ำใครนะมี่จะส่งเสริมทด้เดียวเอานำมาที่เอานำมาเป็นที่พึ่งเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุน่ในใช้ในขณะที่มีสติอบอุน่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นละ่ะไม่มีภยัย ในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมัดระวงังทั้งด้านวินัยทั้งด้านธรรมะแตทั้งด้านความเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรากว้างแคบยุดตื่นยาละเอียดความคิดความปรุงเอาทําเข้าไปจับไปจับไปจับตลอดถ้ามันยังจับไม่ได้ก็เอาคําบริกรรมเข้าไปให้มันอยู่นั่นซะก่อนให้ได้หลักเลยฐานนี่ก็สอนมาหมดแล้วนี่นะมันสร้างฐานขึ้นมาด้วยความสงบแล้วต่อจากนั้นมันจะมันจะอย่างทราบเมื่อมันมีฐานเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแล้วมันจะทราบอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาในจุดนั้น คือจุดในฐานท้องจิตที่มีความสงบเย็นตัวอยู่แล้วด้วยคําบริกรรมนั้นมันจะท่าไปโดยลําหนับนั่นละจับ ก, กันตรงนั้นเนี่ยทำท่านว่าท่านสร้างความไว้จั่ว้หวใจให้ให้ผู้นับถือผู้ ป, ปฏิบัติสร้างอย่างนี้เนี่เรานั้นะเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งเสียท่ากี่เดือนึัเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าสิแหลกไปแหลกไป ขาหูจมูกเิ่นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรผู้เป็นเจ้าของมีอยู่สติปัญญามีอยู่สังเกตระมัดระวังรักษาอยู่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะถึงจะเกิดขึ้นยังชนะไม่ได้มันก็รู้กันแล้วมันยังเครียดแค้นกันด้วยนะเอสู้มันไม่ได้มันลากไปต่อหน้าต่อตานี้ยิ่งเครียดแค้นเครียดแค้นทางธรรมะนี่มันเครียดแค้นเพื่อจะสังหารกิเลสนะถ้าเครียดแค้นทางกิเลสแล้วมันสังหารธรรมมันต่างกันอย่างนั้นความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นความเครียดแค้นที่เป็นป่ายมรรคที่จะสังหารกิเลส ทางท่านมากกฎทางคัตตะวะสุ ข, ขังสือคัตตะวะคัตตวาคืออะไรคือค่าค่าฆ่าฆ่ามันค่าด้วยความเจ็บแขนยีเลยอือเอ า, าจนพินาศจิตหายไปโดยลำหนักลำดานั่นมันเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้า ข, ของวันหนึ่งก็อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลีวไหลโลเล่วันนี้ก็โรเล่เลีวไหลแล้ววันหน้าเจ้าความนั่นหนามันกลุมาจากไหนวันนี้ตั้งมาได้ถ้าไม่สนใจจะตั้งเ๋้าอะไรมาตั้งเนี่ยต้องตั้งสิ สติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตอะไรจะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาทํางานทําการอะไรเคลื่อนไหวปัญหาสติปัญญาทันหมดทันหมดทันหมดนะเพราะอันนี้เร็วมากทีเดียวสติปัญญาเนี่ยเช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วนั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วดีอย่างไรทีนี้สติปัญญาก็เอาใช้เอาเอาเป็นเครื่องใช้อะไไปใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้ เ, เป็นเครื่องมือ กลายเปสติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งวันหนึ no, no, God, no, God. ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัวด้วยกันเอาทำมาเป็นเครื่องประกันตัวอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลาไม่อยู่กับมือกับแขนมันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้นหมุนกันโลกทิศลงที่ตรงนั้นที่มันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้น ขาทุนตรงนี้ได้กําไรตรงนี้เหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากําไรอยู่กับมือกับแย่งนะดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปดูไปดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปรู้ไปที่เหลืมันจะสร้างกําลังมาจากที่ไหนทําสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําไมสร้างก็สร้างเพื่อทำลายกิเลสกิเลสมันจะสังสมตัวกังขึ้นมาจากไหนโดยวิธีการอรันใดวิธีการเหล่านี้ธรรมะธรรมชาติแล้วนี่ไม่ใช่จะสังหารกิเลสโดยสายเดียว แล้วกเลสก็่อยหมดไปหมดไปสงบลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่คือว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองศาสนาท่านว่าหมายความว่าท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักศาสนธรรมเอาอันนี้ไปเป็นเครื่องมือปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าสิกมันราวีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้มันมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรม สติทำปัญญารมเป็นต so re ้นแล้วค่อยหมดไปหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลําดับลําดาเหมือนกับรับทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาดนั้นมันอินมไปเรื่อยๆนี่ก็สมหวังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมด่พึ่งอะไร มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันเหน้วก็เป็นอย่างนี้หรือถ้ามันเสีกสรรนี่มันเหนือหรือต่ํำมันเหนือหรือใต้อะไรตอนนั้นตกตอนนันไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติว่ากันไปมันยอยู่ในสมมุติมันก็ต้องเอาสมมุติมาใช้กันมันผ่านสมมุติไปแล้วเอาอะไรมาใช้มันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความเสียหลักภาพทางธาตุทางขันเราก็เรียนอยู่แล้ว การปฏิบัติกรรมฐ า, านไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปเดินเรื่องต่างตจนกระทั่งถึงรู้รอบควาคิดหมดแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายกับกับว่านงี้เขยว่าตายตายมันอะไรตายมรู้กันอยูยอย่แล้วรู้มันรอบไปแล้วสลับมันออกภาละภาลาเรียกเป็นจากขั้นฐานหรือความรับผิดชอบ น, นี้ออกออกจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟุนเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบ เวลาพาล่าที่ ม, มาแบบมหามไปาหาอะไรสลาดออกมันก็เบ า, เบาความรับผิดชอบหมดยีเดียของสมมุติที่นี่ไม่มีมันคือกรรมาเหล่านี้อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก่อ น, นจะไม่ไปไหนนหละจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลําดับลาดามันจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาหานเป็นลําดับลาดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาหานเต็มที่เลยจากอาหารเต็มที่แล้วมันก็หมด อาละทุกสิ่งทุกอย่างอนารายโยนี่ไม่ว่สุดท้ายมันก็เป็นอนารายโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันพรามันเป็นสมมุติด้วยกันตปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากต่ากันันหลบปีกิดตัวไปอยู่ที่ไหนที่นี่ไว้วันนึ่งวันนึ่ง น, นี่มาเริ่มตัวนี้แล้วนะแก่คน เราต้องไปปัดเอาไว้ปัดเอาไว้โดยเวลาเวลาไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยอ่ามันหนักเรานี่นะอื ม, มันจะเป็นหนักใข่หนักเราผู้ตอนรับเพรา ะ, ะเราจึงต้องให้การตอนรับในเวลาที่ควรให้ตอนนั้นไม่ใช่จะแบบพเด็่อมเพื่อเพื่อใช่ไม่รู้จักเวลามเวลาเขาจีบหาแม่ป่วงไปกี่เวลาอื ม, มันจึะทนทานไปได้สักกี่วัน วันไหนก็เทศวันหนก็สอนก็ดูพี่ยางจนเช้าังหันแล้วมีเรื่องนั้นจะทาไงหากได้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละเพราะเวลานอ ก, น, อ ก, น, อกนั่นนอกจากนั้นไปล้จะไม่คอยให้ยู่ให้มันไปอยู่ตามสะดวกสบายของเราก็เพื่อโลกนั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรย่เวลาอยู่ม า, มากๆนี้ความภากความเพียรมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเยอะหลายไป ห, หมด เัรนี้ทยอนกันออกอยู่มากนะมันไม่ดีแหละมันเหลวไหลยัวเยียยัวเยียย่ที่ไหนมีแต่พระจะเน้นเต็มบมากเต็มมาเหมือนกับตลาดพระทำที่จะงอกเลยไม่มีการกบการฉันกันจัดนั้นจัดนี้มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดมาก พอจะเสร็จนะโอ้โหเรานี่เองปูวดหลังปวดเดียวจนจะไม่ไหวแล้วนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วคนได้เขาไปทําไมหรือว่าพอฉันแล้วลูกขึ้น ก, ก่อนพอจะลูกแรกก็ลูกไปกัจจุบนนอกนมันจําเป็นมันมีเครื่องปูเครื่องมัดอยู่มันก็ต้องจําเป็นถูทายกันนั่นอยู่นั่นก่กอนแหละถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกตํางแรกก็ล้องปีไปช่วยระยะก่อนมันมีความจําเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไปนนขนาดนั้นเดีดูสิ บินธมาดก็อย่างมันเร็วเกินไปสิแต่มันพอดีบินธมบบาตเป็นวาดหมายของว่าอย่างไงวิ่งเหมือนชุนักเลยะมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่ไม่สวยงามตาเลย น, ะนี่เพื่อคูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่ากูบาอาจารย์อีกน่มันดีก็เหลอตามั้น มาเพื่ออะไรขหาดผมผมไม่เพื่ออะไรแต่ชาตินี้เร็วก็ให้เป็นไปกับด้วยดีกับข้อวัดทั้งตนบินธบาก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่แต่หาล่ามหารวยในการบินธบานันนะปีนจิตเจว่าเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรขันพออย่างชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอของตนเองในขณะที่ไปนะอเดี๋ยวไปตามส า, ายของเดิม ได้แล้วแต่นี้หมูคั่นไปแล้วแค่สิบนาทีก็ออกนะนี่แต่ก่อนสิบห้าสิบหกนาทีออกไปบ้านไปที่เขาท่านนั่ น, นแล้วก็สิบสารทุบสี่นาทีออกแล้วต่อมาย่นมาย่นมานหมูขว่นออกสิบนาทีออกไปก็พอดีนี่มั น, นเป็นทังมันเองไปแล้วก็ไปแบบสบายแล้ ว, ลวมันนิสัยอย่างนั้นไปคนเดียว พิจารณามีหตุมีคนอะไรมันเป็นน้ำมันเองนะไรจิตเนี่ยไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติจะควรพิจารณาได้ทำเนี่ยอะไนี่ยอะไรเนี่มันเป็นน้ำมันไปนเพราะฉันจึงไม่ต้องการความจุนจา้านเดินไปนี่สุดจัดสุดจัด เ, เ, เต็มไปหมดทาไม่จำเป็นแล้วไม่อยางันเป็นการโขกการฉันก็ให้ดใหูให้มันทมันสวยงาม อ่านฉันก็ดีดูหมู่ดูเพ่นไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติก็มันดูไม่น่าดูเลยคนมีสติต้องปัฏิสันมีมีความสําคัญในบากตาก็จ้องลงไปในบากไม่เธอไม่มองนู้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวกะเถ่อมือมองนั่นคือไม่มีสติขณะที่เคี้ยวมองดูก็รู้หล้ฉันแล้วก็มีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นรูกใพักักไม่จําเป็นจะต้องมีญาณอะไรอย่างทราบละเอียดอ่อนนักหนา ด้วยความเผิรูสติหรือด้วยความปล่อยตามเพลิงมุขิเลต์นั่นก็รู้นีนเ่เคี้ยวๆไปตาเมอมองไปแบบไม่มีสติตะตังเลยนั่นดูไม่ได้นะเราเป็นลูกศีษยลาโคตยาขายครูยาขายาศาสนาด้วยกิริยายอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรหรือเพราะบุญได้แช่ การทํานั้นจะเป็นการทอดทิละไม่สนใจจริงๆก็เปราว่าทุกคขนงงามาีบงอย่างการฉันนั่นบอกในเสียี่วันขาดความตั้งใจขาดความมุ่งใจใสอย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วเหล่านั้นเมื่อบ อ, อกว่าในบิณฑบาตหมอปัตตสังยีปัตตสังยีปิณาตังก็บ อ, อกอยู่ยออแล้วตลอดถึงการรับบาตก็ให้มีทําความจาขันในบาตการฉันการจงามนจงขันในบาตเนี่ยปันนตนนตสังยีจะหมายถึงอะไร มีจิตมีความสําคัญมีความรู้สุกอยู่ในบาตะไม่ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นจริงใดขึ้นมาความหมายว่าอย่างนั้นเน้นกันหนเน้นกันมาประชาจนเน้นกนหนาเน้นกันมาทีนี้มันทีมันทําให้โรเล่เลี้ยวไหลไปเรื่อยๆก็อย่างนี้เมื่อมันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเลวไหลไปทีเล็กๆน้อยไปป้าเนียนอย่างนั้นขันมากค้าเข้ากันเข้าไปเลี้ยวไหลเพราะไฟต่ํามันอานาจมันมากกว่า ปลายสูงนี่นะคืออาธรรมมอำนาจมากกว่าธรรมมั น, นเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่เจตนาตั้งใจให้มันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วยิงประชาชนญาติโยมเขาเจะหลักธรรมหลักวินยัยหลักกฎระเบียบ ม, มาจากไหนเพราที่จะทําให้สวยงา ม, มป็นไปตามเรื่องนั้นแล้แลเสียงอันหนึ่งเจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ใน อยูเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินของพูดมาจากปากของกั้งหูของอยู่ใกล้ถ้าไหนมันไม่ได้ยินไม่สนใจมาสะดุดจากเสียงจากของมันนี่อยู่กุฏินู่นเสียงมันสะดุดสะดุดสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไกลไม่ก็ตินู่นกับปากกับหูของผู้พูดนะ่นทางครัวผู้อยู่ในกิสลานี่ทางครัวนกับเราที่ฟังนู่นฟังไม่ได้นะ มมมมมึงเออะไรตอนเรื่องอะไรคนมีสติจะตางค์สมัยนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ไม่อย่างเขาตรงนั้นอย่างเขาตร น, นั้ น, น, น, นไม่ไปไหนแหละเพราะอันนี้เป็นเครื่องสังหารสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่นะอันนี้ไม่มีมันอนนั้นก็ขึ้นหรือสิถ้านี่มีมันจะไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นด้วยเจตนาสมควรกับเหตุกับผลที่จะหนักเบาในเสียงขนาดไหนมันขึ้นด้วยด้วยสติขึ้นด้วยความจงใจมันก็รู้มันกับเข้าใจกนันขึ้นด้วยความไม่ เอาไหนเนี่ยที่ไม่ได้สนใจหาสติสตังไม่ได้จีิมันเสียตรงนี้เดี๋ยวนี้ทันยุค ม, มันจะไม่ลบหมดเลยหรือวัดป่าบันตาเรามีแต่ผ้าขี้เกียจไม่กล้าไม่เดินมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอเวลาทันยุค ม, มันจะไม่มีแล้วมันจะมีแต่ทางหมอนทางเสืออย่างนั้น ทางยุมไม่มีเลยสิานอกผมอม่เหยียบวุ่นอะไรมากผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าการฆ้ายีเดียนะมีจิตมันตักอย่างนั้นตลอดตอะ น, นั้นถึงได้ว่าหมู่พวนเลยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสสักดิสิทธอะไรกับสิ่งเหล่า น, นั้นเพราะนั้นโลกเขาก็ทําได้เราจะทํำเฉพอม เ, เวลาจําเป็นจริงถ้าทำเลื่อนเลื่อนอ น, น้อยก็นานพอนแต่ส่วนข้ายีเดียที่เอามันไม่ถอยนั้นก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ ถือเป็นสาระสาคัญมากทีเดียวอะไรจะขาดตกบกพรองเอาขาดไปบกพ้่องไปสิ่งนี้มันมีอยิ่ประจำโลกแต่เรื่องความเพียรเพื่อจะท่ากิดเลสนี้เอามาให้มันบกพรองนี่ต้องปาด ก, กิเลงตรงนั้นเลยมันชินแบบนึ่เอาแบบหนึ่งต้องหา อ, อุบายสติปัญญาไม่งั้นไม่เหนือกิดเลสแล้วสูญไม่ได้มันเหวี่ยวอีกแหละการประกอบความเพียรก็ต้องใช่าง อ, อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะ มันจะเอาแบบเดียวคมเดียวไม่ได้อ่ะเห็นกันนั่งภาวนาตอนเช้ามันมักจะง่วงตอนเช้าน่ะนั่งภาวนาล้มเดินเนี่ยพลิกมันไปพลิกมันมามันจะหมดแล้วน่เดินเนี้ยจะไม่มีสืบผู้ทอดมารดของครูบาอาจารย์ล่วงไปล่วงไปนีแต่ของดีล่วงไปของเลวเต็ม วัดเต็มบ่าเต็มผ้าเต็มเหน็บมันใช่ได้ไหนี่เรนนี้จะหมดแล้วนะแต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตัวเองขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะนทีเล่นไหนกขาเป็นควนเที่ยวความลมสายต้อามาฐานสายหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นตอนนี้ก็นอนหลับทับติดอะไรโออามันไม่รู้ตัวนะ มันได้เรื่องเงินเหาอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันสาคัญมากนะมันเป็นข่าสึกนี่ไม่ทราบเป็นมันไม่ชินนะครับสิ่ง น, นี้เพราะมันเคยทําทำลายความเปลี่ยนตัดทนอนความเปลี่ยนนั่นเราอย่างน้อยให้เลาช้ามากขว่า น, นก้าวไม่ออกถ้าลงสิ่ง น, นี้เขาไปกวนใจแล้วกล้าไม่ออกสิ่งก่อสร้าง วัตถุอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละคยอว่าอารมณ์ของอารของธรรมที่ไหนเลยอารมณ์ของกิเลสความคงบนฟุ่นวามีกันดูตั้งจากความเคลื่อนไหวของของจิตที่มันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมาด้วยอํานาจของกิเลสถักดันออกมาหรือเป็นเรื่องของธรรมผลักดันออกมาส่วนมากร้อยทั้งน้อยมันมีแต่เรื่องของกิเลสผลักดันออกมาเราไม่เห็นนี่เราต้องตั้งสติว่ามันก็พอพลาดพออย่างนั้นไป มจนถึงขั้นเันเรียนร่างไว้นึ่งเดมันถึงได้เลยเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดเจนถึงขั้นล่างอาไว้ล่างความเพียรไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันจะพิลึกเกินไปนั่นแหะเราจะไม่เห็นโทษของกิเลสชัดเจนมีความเกลียดข้านความอ่อนแอท้อแท้เรือลอยๆันไม่มีเลยมันมีแต่ๆๆถึงแต่ผึงผึงผึงถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจว่าง มันเทินกับการฆ่ากิเลสเวลายืนเวลานอนเวลาดับเวลาอะไรมันไม่อยากหลับอยากนอนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแบบเดียวกันหมดเรามารักติดีวะรักติญีวะมีแต่เมื่อกับแจ้งเท่านั้นนะรักติกลางคืนญีวากลางวันเนี่ยมีแต่เมื่อวันกับแจ้งเท่านั้นมีอะไร กีดมันหมุน ล, ลงไปนั่นหนูเหมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้ ว, ลวที่นี้ทำไมจะไม่เห็นตัวของกิเดสว่ามันมันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความขี้เกียจขี้างอ่อนแอแท้อแท้เรือยไหลอํานาจวาสนาน้อยมันหาเรื่องหาราวทุกอย่าง่ัหนูมีแต่กิเลสเทนั้นมาถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มี อ, อะไรมามีท่านจะว่าเพินินท่านจะว่าอุทะจรุทะจร สังโยชเบื้องบนอุทจจะสังโยชนก็คือเครื่องคข้องสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเป็นเครื่องคข้องอยู่เมื่อรู้มันไม่ทันเช่นอุทจจะคือหมาก็วม่ามันเพลินเกินตัวจิตมันเพลินเกินตัวไม่ใช่อุทจจะความเพลิดเพลิ น, นแบบโลกทั่วไปอย่างวันอย่างนิบอนอุทจจะภูกุจาิความผุ้งั่านทำคานมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุทจจะในทังโยชนเบื้องบนก็คือความเพลิน ในความเพียรของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเองเพื่นตลอดต้องในบังคับให้พักวิธีบังคับท่านก็นสอนไว้วิธีให้พักท่านเทียบกับการเข้ารบการลบสงครามในหนังสือก็มีมเวลาออกรบให้ลบเวลาเข้าพักพลก็ให้พักถ้ามีแต่ลบชาเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมควรจะพักถึงได้รับทาน ภาคหลับนอนก็ให้พักวางมันในหนังสือวิธีปฏิบัติพราะยิ้ตรรับภาวนาแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเองนะมันมันจะคงจะคล้ายๆกันนะั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองก็ทั้งๆอยู่ของกระเรียนมาก็เห็นท่านท่านวา่าอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอน แบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้วิเลตวิธีการประกอบความเพียรไว้ให้พอเหมาะพสมทัานก็บอกเวลาพักก็พักคือพักในสมาธิเอามาพักในเรือนสมาธิออกนกั้นออกคือหมายต้องออกพิจารณาออกลบหนึ่งคือออกพิจารณาทางปัญญานั้นบอกไว้ชัดเจนนะในตำํำราของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาะแต่เวลามันเข้าไปลุมบอลกันแล้วมันใครจะไปไ ป, ไปนอนอยู่ในที่ลุมบอลวา กับกิเลสหนึ่งมันถึงขั้นหมุนตีวกันแล้วนั่นแหละคือว่ามันตลุมบอนกันแล้วใครจะไปนอนหยุดเวลาตลุมบอลก็จะไปนอนหลับเหรอนั่นเลยมันเอาใหญ่หมุนตี๋ตี๋ตี๋มันเลยเถืนมันก็รู้มันความความอยากอย่างนี้มันทาขันมันดึงไปแล้วอะไรมุ่งมั่นความอยากมันมีกําลังฉุดเราไปข้างหน้านันมีกําลังมากพูดได้เท่านั้นเนี่ มันแต่ก่อนมันถอยมีแต่ถอยหลังตอนพระจีเดียลากกับปืนที่นี้ทําลากทับ้างหน้าที่ไม่เห็นโทษของพระจีเดียร์บอกซีนนี้เป็นพระจีเดียา์ข้างหน้าถ้าเพลียนเปลี่นไปเรื่อเวลาอย่างนั้นอย่างี้เช้าสายบ่ายเย็นอะไรอำนาจวาสนาเนอติปัญญาไม่มีอือออกความเพียรก็มีเกียจขี้ข้านทอดแท้อ่อนแอสุดท้ายก็มรรคปุนิพพานไม่มีไปเสียแล้ว อแก่กิเลสไม่ใช่ฐานะออกิเลสมัดคอม้นเป็นฐานะมันไม่ว่ามันที่พอไปจะแก้กันบ้างถึงแค่เป็นเรื่องของกิเลสเลยมันยอมเยอมเลยการประกอบความภาคเปลี่ยนเพื่อแก้กิเลสกิเลสมันเลยมันกลายเป็นของไม่ใช่ฐานะของเราที่จะต้องทําไปแล้วเพราะกิเลสมันมันเอาไปกินหมดตับไม่มีท่าทั้งองค์ไม่มีตับตับเข้ามาใส่บางทีสติปัญญาฟ้าอย่างนั้น มัดคอกิเลสลงไปมันพังไว้กินตับกิเลสได้อยู่ไหนมันอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสมันไม่กลายมากลายเป็นปุ๋ยได้นะมันทายิ่งเงาะงามเงาะเงินขึ้นไปกิเลสมันกลายเป็นหินแล้วปัญญาก็มาอีกนั่นเวลาปัญญาม่นพอตัวมันเป็นนั่ะอะไรอะไรเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมทิคเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมหมเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนทำแบบละแบบ แต่สุดท้ายก็ทำเป็นของเอียดเหนือกิเลสหอนนั้นที่เรียกว่าโลกุตตระธรรมคือมันเหนือเ <Ooh. S 1> หนือโลกโลกก็คือกิเลสนันแลหละปวดร้ายยังไงมึงไม่เป็นมึงไม่พ้นกิเลสมัดคอยนันกูอยู่กิเลสมัดคอยงนั้นมันมันม่ละไม่ปล่อยไม่ที่คลายเลยเหรอในของเราพูดให้ฟังฟังพูดกับพูดกิเลสมนันมัดไว้ หนึถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันมัดมันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกคาแรขาดมันทั้งไหมอีถึงขั้นมีมักเป็นนาจ้างนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เองอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ผมตายไปแล้วก็ตามเดินนะขอให้มันเป็นขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะคําปูุที่ผมพูดนี่มันจะสดๆร้อนๆ น, นะตายกตายเป็นแต่เดือนล่างอันนี้เนี่ คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะั้นนั่นแหละมันไม่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นของจริงด้วยกันเข้ากันได้สดสดร้อนรอย่างที่ว่าสุขาตามสุขาธราธรมเนี่ย ส, สดขนาดไหนร้อนขนาดไหนทําทุกอย่างที่ตาดไว้ชอบแล้วชอบแล้วนี่สดสร้อนรสดร้อนเพราะเป็นความจริงเท่านั้นกับการปฏิบัติของเราที่เป็นความจริงด้วยกันเข้ากันได้สนิทสนิทไม่มีอะไรเป็นการประสานที่เวลามีเวลาพอที่จะห่างเหินกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พูดอยนเมื่อจีบมันเข้ายอมรับสักอย่างเดียวเท ว่ามันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองถึงขั้นไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่ออะไรมันจะดื้อด้านกูขกิ เ, เลีมมีหรอเปล่าไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกี้เลียมไปได้หรอกขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดแานสมมุตินี้ประกาศสู่หลวงปู่คำดีมันกดคิดมันมันสะดุดซากุบายจานตีหมักที่ดองเลย อย่างมาก็มาสะท้อนกับมาหาศพเรานี่แหลมาทุเลตแล้วยังไม่ตายนะผมทุเลตแล้วนะอ๋อที่ศาจจะไปทำอะไรอาสเดาอุศเอกพุทธทางสนังกระฉามนี่ก็มีอยู่แล้วพระเจ้าปณิพันธ์เมื่อจิตวันเท่านั้นก็ตั้วครับเพิ่มเตแล้วที่ไ้าที่นี่มัเอาไว้อะไร แกงครูแขงอาจารย์แก่งศาสนาปหาอะไรนี่คือทํามันโลกเันกเหยียบย่ำกำไรธรรมลงไปนะเอาตามความเห็นของโลกของสารหนึ่งมันก็เป็นโลกไปตลอดดิมันจะเป็นธรรมได้ยังไงเอาตามธรรมก็เอาที่ลงกลงไปดิฟืนมีเอาไปเผาดิเพราเผาได้เงินได้ถองเมื่อไรเผาคนเผาพระเผาเอาฟืนตรงนั่นเผาทานก็มาจากฟืนเนี่ย เอาไฟนี่แหะขอก็ไม่เนาเงิ น, อนทองไปเผานี่ยอะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั้นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเป็นเบ็ดล่อปลาคือ เ, เงินโลกามิตร์ฮะทุเรศจริงนะอ้าวนั่เป็นในงงหัวใจนี่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้ว ผมน่ยตายคนเดียวผมนะ่ยแสนสบายเลยผมพูดยิยยย่งนี่พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรครับว่าผมจะตายแบบไห น, นแบบไห น, นกับใครอยู่ที่ไรออยู่กับผมนึกเกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารพระเนรเถียงกีหรือประชาชนที่มา น, นับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดทรายขอยผมไม่เคยปรากฏหัวใจมผมเลยอย่างไรจะสะดวกในเ ว, ว, ว, วลาสุดท้ายของเราท่านั้นเ อ, เอาลงตรงนั้นน่อยตายคนเดียวตายอย่างสบาย สบายหายห่วงทุกอย่างเลยทั้งๆที่ยังไม่ตายมันก็หายห่วงมันมันได้อยู่คนเดียวตายคนเดียวน่ะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังออนไลน์ก็รู้แล้วว่ามันหมดกําลังมันแล้วธาตุขันนี้มันจะไปอยู่แล้วก็มีแต่ทหน้าที่ปล่อยมันเท่านั้นอืความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่รับผิดชอบมันมาตั้งหลายเอ้าปล่อยไปในวาระนี้มันให้แสนสบายสงบสุขง่ายกว่างั้นเลยมันมันไม่ได้เต็มทวนก็คือก็อันนี้ควร ขันพราฮาเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานไม่อุปทานนั่นก็เป็นพราฮาเวอย่างพระลานนั่นก็เป็นพลาฮาเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกั น, นคนเราเป็นพราฮาเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความงวงใยเสียดายความมึนความ ห, วหั ว, ห ว, ว, หวท่านไม่มีแต่ความรัผิดชอบมีสัญชัญญาณความรับผิดชอบมันมีประจําอันนี้เหมือนเดินไปตามทางที่ พลาลื่นอย่างนี้จะยอมร่มร่มง่ายๆหรือไม่ว่าปุตชชนไม่ว่าพระอรหันต์การช่วยตัวเองนั่นสังสารญยานมันเป็นข้งมันเองนั่นจะพลิกตัวทันทีทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมล่มถ้ามันถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลบง่ายๆอันนี้คือสังสารญยานจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันตทั้งปุตชชนมีการสังสารีาณที่รับผิดชอบตัวเอง ก็เป็นอย่างนั้นแต่จะให้ยึดมั่นถือมั่นทันอันนั้นมันก็หมดปัญหาไแล้วจะพูดอะไรอะไรพาหยุดเนี่ยพรเมื่อกี้เลยมันสิ้นไปหมดแล้วจะเอาะไรมาหยุดทำให้มันยึดมันก็ไม่ยุดจะวางอะไมันไม่มีสิ่งพาหยุดนี่แต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นต้องมันเองเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นนี่ที่มันมันเหมือนกันระหว่าง ผู้ชุชนกับพระทารมันเหมือนกันคือความรับผิดชอบตามธัญชาติพยายามตัวเองแต่ละแต่ละขันละขันไมเหมือนกันเก้าวท้าลงไปนี่จะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นรากไม้มันเหมือนตรวงูก้าวไปนี่กําลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่า ง, งูนี่จะโดดถึงทันทีเลยนี่ผู้ชุชนกับพระทหานจะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็นกนคือจิตผุ้ชุชนมันจะร่อนวูบเลยมันตกอกตกใจ ภายในหวัวใจนี่แต่พระรามท่านไม่แยกเดียวทัางผู้มันยกมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหวนั่นต่างกันทรานั้นต่างอยู่ภายในจิตตรงนั้นแต่กิริยานี้เหมือนกันเลื mm ่ hmm. นเนี่ยไม่ยอมล้มเหมือนไงออ mm hmm. อยู่ด้วยกันนะคนก็คนหนึ่งทําหนึ่งคนหนึ่งทําหนึ่งใครทำก็ทาดูกันสิมาศึกษาหูมีตามีมือมี ข้ามีจัดทาช่วยกันนายยนะฮะแล้วอุดพนธนาคนหนึ่ง